พระธรรมเทศนาแผ่นที่เจลำดับที่สองโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่6ธันวาคม2557มีชื่อเรื่องว่าอย่าคุ้นเชื่อกับความตาย ตอนนี้ไปหลวงพ่อจะได้กล่าวปรรบธรรมให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังแต่ก็วันนี้งคงจะมีเปิด MP3 ให้คณะพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาต่ออีกแต่อันดับแรกหลวงพ่อจะได้ปรับรบเรื่องการปฏิบัติธรรมของพวกเรา ถึงยังไงก็ตามการประพฤติปฏิบัติธรรมพวกเราญา่ิคิดว่าเป็นของเคยชินคุ้นเชื่องเพราะว่าพวกเราต้องเป็นผู้ใหม่อยู่เสมอให้ค่าว่าเป็นผู้ใหม่เป็นผู้เตรียมพร้อมไว้อยู่เสมอ เพราะว่าความตายของพวกเราเนี่ยมันไม่ได้รดลาวาสอกพยายามไล่ติดตามเหมือนกับหมาไล่เนื้อพระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนั้นหมาไล่เนื้อเมื่อมันท่านทันเมื่อไหร่มันต้องขยำเราเหมือนกับเราเป็นเนื้อพยามัตุราชเหมือนกับหมามันไล่เรามาอยู่ตลอด เพราะนั้นพวกเราอย่าชราใจอย่าไปนอนใจให้ประกอบคุณงามความดีไว้อยู่อยู่โดยสม่าเสมอถ้าเป็นไปได้นะแต่ถึงยังไงกิเลสในใจของเรามันอดไม่ได้ที่จะทำให้เราช่าใจไม่ตั้งใจมันมีอยู่แต่ถึงยังไงก็เถอะนะเมื่อเราได้ยินได้ฟังแต่รับรู้ได้รับการศึกษา ได้รับพระธรรมได้รับฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจากนั้นเราก็ได้นั่งกำหนดหรือว่าฉกคิดดูรอบๆด้านเรารอบๆรอบๆข้างทั้งอดีตที่ผ่านมาและทั้งปัจจุบันในขณะนี้และอนาคตจะเปิดไปในภายภาคหน้าพวกเราก็คงจะนึกได้ จำนึกได้ว่ามันเป็นจริงอย่างที่พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้กล่าวที่ได้ตรัสเอาไว้แล้วในอดีตเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านปฏิบตัติตามแนวแถวปฏิปทาหรือว่าแนวแถวพระธรรมคําสอนที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ถ้าจะว่าพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าก็รู้สึกว่าจะไกลไป ใครแค่ว่าห่างไปแต่เร า, าพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่ทึกยังไงก็เถอะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราท่านก็ได้นําพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละเ อ, อมาบอกกล่าวขายายผลในเมื่อท่านแต่ปฏิบัติได้ผลมาแล้วฮอพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราท่านได้นํามาประพฤติปฏิบัติกับตนตัวของท่าน ท่านได้รับผลมาแล้วท่านจะได้ที่ท่านจะได้มีทับมฤคิดหรือว่าคำพูดหรือว่าเป็นตัวหนังสือเล่อคำพูดออกมาในเทปใน MP3 จากนั้นก็เป็นหนังสือแนแนวบอกกล่าวให้กับพวกเราให้ได้ศึกษาให้ได้เรียนรู้ว่าท่านได้ประพฤติปฏิบัติมาเนี่ยเป็นผลยังไง ได้รับผลอย่างไรในการประพฤติปฏิบัติธรรมของท่านจากนั้นเราได้ศึกษาได้ฟังแนวแถวแนวความคิดของท่านแล้วเราก็นำมาการกรองไตรตรองว่าเราที่ท่านพูดไว้นั่นน่ะเราจะดำเนินได้ไหมเข้ากับอุปนิสัยของเราไหม จากนั้นเราก็นํามาประพุทธปฏิบัติปรับปรุงกายใจของเราวิธีการ ท, ทงงําทําอย่างไงใหญ่ท่านก็พูดเป็นภาพรวมออกมาอย่างประพุธทธเจ้าก็อย่างหลวงพ่อได้ย้ําแล้วเตือนอีกว่าท่านนั่งภาวนาอย่างไรแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราท่านก็แนะนําสั่งสอนตามแนวแถวของพุท ธ, ธะแต่ก็ไม่ใช่จะเอาอย่างนั้นจริงทีเดียว เพราะว่ากรรมฐานของพระพุทธเจ้าที่ท่านวางเอาไว้นะี่กรรมฐาน40่สิบยังมากกว่านั้นไปอกีกกรรมฐานที่จะทําที่จะนําจิตใจให้ได้รับความสงบสงบสุขทางด้านจิตใจสุดแท้แต่พวกเราจะบริกรรมบริกรรมกรรมฐานอะไระกรรมฐาน40พุทธโธก็ได้ทำโมก็ได้สังโฆก็ได้ แต่ครูบาอาจารย์ท่านก็นํามาประยุกต์ใช้ท่านก็บอกว่าหายใจเข้าตายหายใจออกตายหายใจเข้าหายใจไม่เข้าก็ใช่ตายหายใจไม่ออกก็ตาย้ท่านก็ให้กําหนดลมหายใจเข้าออกนะให้เห็นให้เห็นอนิจจังให้เห็นอนิจจังคือของไม่เที่ยงหายใจเข้าก็นึกว่าเรา ถ้าไม่หายใจไม่เข้าก็ใช่คนหายใจไม่เข้าตายถ้าหายใจไม่ออกก็ตายให้ระลึกถึงความตายไว้อยู่เสมอจะบริกรรมอย่างนี้ก็ได้อันนี้ก็คือมรณะนุสติให้ระลึกถึงความตายที่จะมาถึงตนอันนี้ก็เป็นการตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในเมื่อคนระลึกถึงความตาย แล้วการที่จะทำความชั่วเสียหายการที่พวกเราจะนอนใจชราใจในเรื่องต่างๆนอนจมนอนใจใช้ความโรกความโกรธความหลงโมโหโกธาลักโลภหลงต่างๆเราก็จะย้อนกลับมาหาเอ้ยชีวิตของเราเนี่ยมันไม่ยืนยาวหนะ้าเราจะไปนอนจมนอนใจ ในในเสียงเรานั้นมากเกินไปก็ไม่น่าจะถูกนะนถ้าเราละลึกถึงความตายหรือว่าลึกถ้า ล, ลึกถึงชีวิตของพวกเราไม่รู้ว่าจะตกลนไปเมื่อไหร่เพียงเรานึกคิดเพียงแค่นี้แหละใจของเราก็จะย้อนกลับมาหาคุณงามความดีสิ่งไหนที่เป็นคุณงามความดีพวกเราก็จะเข้าไปสู่จุดนั้นเราจะไม่คิดชั่ว เราจะไม่ทำชั่วเราจะไม่พูดชั่วนะนเมื่อเราตั้งสติได้แล้วมแต่จะคิดดีทำดีพูดดีให้เกิดกับตนเองกับครอบครัวกับปวงสาคณนายาตกับผู้ที่อยู่ใกล้ชิดของเราเราจะไม่ให้ใครผู้ดใดผู้ใดใครผู้หนึ่งเดือดร้อนกับเราเราจะทำความดีกับทุกๆคนเจตนาดี คิดดีทำดีพูดดีสิ่งที่มันชั่วจะทำให้เสียหายเกิดในพ่ อ, อแม่วงศาคณาญาติญาตมิตรจะหายผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเราเราจะไม่ทำในสิ่งที่มันชั่วเสียหายเหล่านั้นนี่แะอันนี้ก็คือเป็นผู้ตั้งผู้เตรียมพร้อมอยู่ในความไม่ประมาทแล้วท่านี้ ม, นมีแต่ประกอบคุณงามความดี โดยสม่ำเสมอเพราะนั้นเมื่อเราประกอบคุณงามความดีอย่างนี้โดยสม่ำเสมอแล้วความดีก็จะเข้ามาสู่จิตสู่ใจของพวกเราไปน่สถานที่ใดอยู่นสถานที่ใดมีแต่ความสงบพร่อมเย็นเป็นสุขเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านถ้าปฏิบัติได้หรือว่าทำได้อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวนะพวกเราอยู่นัสถานที่ใดมีแต่ความสงบผาสุข แต่ถึงยังไงถึงจะถึงจุดนั้นได้ถึงจะทําอย่างนั้นได้มันก็ในหลักธรรมคาสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็ว่าให้โอปัญญโกหรือว่าให้มีสติอยู่กับตัวเองการที่จะมีสติอยู่กับตัวเองโดยมากหรือว่าเป็นส่วนมากหรือว่าสม่าเสมอ ตัวยอยู่ติดกับตัวเองเนี่ยตลอดเวลาเนี่ยมันไม่ใช่ของทําได้ได้ง่ายแต่ทําถ้าว่าเรามีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นฮะมันก็ไม่ใช่ของยากอีกเหมือนกันมันทําได้เพราะว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทํามาแล้วทําอย่างนี้ท่านทํามาแล้วในเมื่อเราทำท่านทํามาแล้วเนี่เอราก็ทดลองทําอย่างที่ท่านทําดูซ์นะ่ยนี่นหละ อย่างองหลวงตานี่ท่านก็บอกว่าท่านกําหนดลมหายใจเข้าบริกรรมพดหายใจออกออกบริกรรมโถแต่ก่อนท่านกําหนดธรรมดากําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรั้วหายใจออกมันหลุดได้ง่ายมันเผลอได้ง่ายมันหลงลืมได้ง่ายมันมันเผลอ จากนั้นหลวงปู่มั่นก็สอนว่าให้สำทับกับพุทธโธด้วยนะให้บริกรรมหายใจเข้าบริกรรมพุทหายใจออกบริกรรมโธให้มีพุทธโธด้วยกำกับเข้าไปนี่แหละอันนี้ก็คือหลวงตาท่านกว็วบท่านก็นกใช้ทีแรกท่านาบอกบังคับนะไม่ใช่ธรรมดานะไม่ใช่กําหนดธรรมดานะจะบอกกฎที่ว่ า, บ, าบังคับให้สติอยู่กับตัวเอง ให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกบังคับพันอยู่ที่ลมที่ปลายจมูกบังคับพันอยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกถ้าเวลาเดินก็ให้อยู่กับขาก้าวเดินขาขวาพดขาซ้ายโถ่ถ้าเราทําการทํางานปัดกวาดขวเวียงขวาพดเวียงซ้ายโถอันนี้คือกรรมฐานที่องค์หลวงตาที่ท่านยึดจากแนวแถวของหลวงปู่มั่นจากนั้นทั้งก่อ ใหม่ๆท่านว่านะวัน2วันแรกโอ้โหมันทุกจริงๆท่านว่ามันสู้กับอารมณ์ที่จะบังคับให้จิตใจอยู่กับตัวเองนไม่ใช่ธรรมดานะเนี่ยนะอันนี้ก็เราก็ฟังเอาไว้จากนั้นท่านก็ บ, บังคับ3า3วันที่3ที่สี่จิตใจอยู่กับตัวเองนิ่งพอนน่งขึ้นมาแล้วจิตใจอยู่กับตัวเองเราจึงประกาศว่า ต่อ น, นี้ยไปจิตใจของเราคงไม่เสื่อมเราไม่เสื่อมคล้ายๆจะไม่หลุดอีกแล้วนะบังคับให้อยู่เพราะเราอยู่กับบริกรรมอยู่กับกรรมบริกรรมกรรมฐานนี่แหละอันนี้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะผู้เริ่มปฏิบัติหรือผู้ตั้งใจปฏิบัติไม่ใช่ว่ากรรมฐานจะอยู่แบบลอยๆมันจะเกิดขึ้นได้ง่ายๆง่ายๆไม่ใช่นะบางท่าน อย่างองหลวงตาที่ท่านบังคับนะพวกเราท่านทั้งหลายให้ก็ให้บังคับนะบังคับให้มีสติอยู่กับตัวเองในเมื่อสติอยู่กับตัวเองแล้วนะเราจะรู้ได้เลยท่านะพอมันอยู่จิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งเราจะรู้รด้ตัวกายกับใจใจกับกายท่านะรู้กันได้นะเพราะนั้นให้ดูดูกายดูใจอย่างที่วันในตอนเช้า มีโยมมาถามหลวงพ่อเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมเขาก็บอกว่าพอจิตสงบลงไปแล้วเหมือนกับจิตจิตมันอยู่ในกรอบอยู่ในวงล้อมอยู่ในกรอบอยู่ในความสงบเวลาอารมณ์เข้ามากระทบเนี่ยมันก็จะมันก็จะปัดออกไปปัดปัดออกไปแล้วก็เข้าอยู่ในความสงบ ถ้ามันออกไปข้างนอกมันดูกันการพิจารณาดูเห็นอะไรมันก็อยู่ในแวดวงอารมณ์เข้ามาเนี่นก็จะหักล้างโดยโดยเรื่องของมันเองแล้วจะให้อยู่อย่างนี้ต่อไปใช่ไหมหลวงพ่ อ, อในเมื่อมีอารมณ์เข้ามากระทบละ่ะสมมติว่ามีอารมณ์โกรธเข้ามากระทบอย่างนี้นละ่ะ มันมันมันวันไหวไหมมันแกวงไหมเขาว่ามีอยู่บ้างพออารมณ์โกรธเข้ามากระทบเนี่ยมันก็เออมันก็แสดงปฏิกิริยาแต่มันก็ปัดออกไปมันไม่รับคล้ายๆว่ามันมันมันปัดออกไปเลยหลวงพ่อว่าถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้เนี่ยคล้ายๆก่าเป็นสมุนของ ความโกรธเข้ามามันก็ยังมันก็ยังอันนั้นยังมีการต่อต้านอยู่ถ้าหาว่าเป็นทหารกองพลเข้ามาน่ะมันจะมันจะสู้ไหวเหรอเราได้เตรียมพร้อมไว้ไหมในจุดนี้บอกว่าใช่ก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันนั่นแหละในจุดนี้แหละให้เราพิจารณาดูนะ ่าให้มันอยู่ในกรอบอย่าให้มันอยู่ในกล่องให้ออกมาสู้กับมันมาพิจารณากันกลองตรายตองเรื่องราวที่มันเกิดขึ้ น, นดูใจของตนเองดูตัวผู้รู้ตัวนึกคิดนั่นนะอสอบแล้วสอบอีกทดลองแล้วทดลองอีกอถ้าว่าเราไม่ได้ทดสอบทดลองอย่างนั้นมีแต่ว่าได้รับความสงบลมเย็นเป็นจุกอยู่ในกรอบแล้วก็เข้าไปอยู่ในกรอบ ก็คิดว่าเออข่านี่เพียงพอแล้วราวนี่เนี่ยมันเคยมีนะมันเคยมีนะคิดว่าประกาศไปให้หมู่พเพื่อนได้ทราบว่าค่านี่ยพอตัวแต่พอมีเรื่องราวใหญ่ๆเกิดขึ้นทท่านั้นนะรออับไม่ไหวร้องโหมร้องให้ฟูฟยไฟออจึงรู้ได้ว่าตัวของเองเนี่ยตัวของเราเองนี่ย ในจุดนั้นมาอยู่ในกรอบมันอยู่ในเกาะเฉยๆแต่พอมีเรื่องกระทบอย่างรุนแรงมันเห็นได้ชัดเลยมันสู้ไม่ไหวรับไม่ไหวนี่แหละอันนี้เมื่อตัวมดตัวแมลงมากัดเราก็พอสู้มันได้พอตัวต่อตัวแตนมาต่อยเราก็ชักจะหวั่นไหวถ้าเป็นลูกกระสุนมาอะไรต่วนี้เราจะรับไหวไหม นี่ะเราต้องสู้ทุกต้องทดลองทดสอบให้มั่นใจไม่ใช่ว่าขนาดใดขนาดหนึ่งแล้วเราจะอยู่ไม่ได้นะแต่ทึงยังไงก็ตามเมื่อออกไปสู้แล้วต้องกลับเข้ามาอยู่ในกรอบอยู่ในกรอบออกจุดพักอยู่ในกรอบแล้วออกไปสู้ไปพิจารณาไปทดลองทดสอบดูอารมณ์ต่างๆที่มันมากระทบย้อนย้อนดู แต่และ ว, วันวันนี้มีอะไรเข้ามากระทบจิตใจไหมมันวันวันไว้กวยแข่งไหมด้วยสาเหตุมันวันไว้กว็แกว่งนะเพราะอะไรจากนั้นก็รู้พิจารณาดูหาต้นเหตุต้นเหตุเสร็จแล้วก็กลับมาหาสมาธิให้อยู่ในกรอบจากนั้นก็ออกไปพิจารณาค้นคว้าดูมันเป็นเหตุเพราะอะไรต่อไปเราก็สู้ใหญ่ขึ้ น, ใ ห, นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น ผลีนสุดเราจะดูรู้ต้นเหตุของมันจากนั้นก็ถอนรากถอนโคนมันได้นะแต่ถ้าเราจะมีแต่ว่าตัวเล็กๆเท่านั้นก็ว่าตัวเองเก่งก็ยังไม่ใช่นะให้ระมัดระวังให้ดูให้ใช้ปัญญานี่แหละอันนี้ก็คือก ร, รมัดฐานที่ผู้ปฏิบัติแต่เพียงแค่นี้หลวงพ่อได้ยินหลวงพ่อก็ยังภาคภูมิใจกับผู้ที่มาถามนะ เอาโอ้ยังมีผู้ปฏิบัติธรรมอยู่ยังเป็นผู้มีความใส่ใจในการประพฤติปฏิธรรมอยู่น้อเนี่ยนะหลวงพ่อยังอุ่นใจกับผู้ตั้งใจภาวนานะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆกท่านนะตั้งอกตั้งใจภาวนาตั้งแต่อกตั้งใ จ, งใจปฏิบัตนะิเอาตอนนี้ไปนั่งสมาธินะที่นี่นะ